จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาวที่27สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาสร้างที่พึ่งทางใจ เพราะว่าชีวิตของพวกเรามีสองส่วนหรือมีสองคนมีร่างกายกับจิตใจร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งของร่างกายก็คือปัจจัยสี่อาหารเครื่องดุ่มหอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่พึ่งทางร่างกายพวกเรามีพร้อมแล้ว ไม่เดือดร้อนทางร่างกายแล้วแต่ที่พึ่งทางใจพวกเรายังมีไม่มากพอหรือมีน้อยมากจึงต้องมาสร้างที่พึ่งทางใจเพราะว่าที่พึ่งทางใจทํทำให้ใจของเราสุขสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กมังวลไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่าง อนนี้ใจของพวกเรายัางหิวอย่างอยากอย่างวิตกอย่างกนนังวลอย่างห่วงใยอย่างวุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆกับสิ่งต่าง ๆ, ๆกับบุคคลต่างๆอยู่เพราะใจของเราไม่มีบุญไม่มีปัจจัยไม่มีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามา ทำกันมาเติมกันมาสร้างกันเรียกว่าบุญบุญในพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สิบประการด้วยกันเรียกว่าบุญยักกิริยาวัตถุสิบเมึ่องทานบุญที่เกิดจากการให้แบ่งปันข้าวของต่างๆที่เรามีเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็ไม่เดือดร้อน ก็ควรที่จะเอาไปแบ่งปันให้ให้กันละกันจะทำให้เรามีอาหารใจเพราะเวลาเราทำบุญแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจแล้วข้อที่สองก็ให้เราทำบุญด้วยการรักษาศีลคือละเว้นการกระทำบาปเพราะการไม่ทำบา จะปกป้องจิตใจของเราไม่ให้ไปติดคุกติดตารางคุกตารางของจิตใจก็คืออบายสี่สถานได้แก่เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกถ้าเรารักษาศีลห้าข้อได้เราก็จะไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นปูเป็นปลา ไม่ต้องไปเป็นเปรตที่หิวโหยต้องมาขอส่วนบุญของผู้ไม่ต้องเป็นอสุรกายที่มีแต่หวาดความหวาดกลัวไม่ต้องไปตกนรกที่มีแต่ความรุ่มร้อนใจนี่คือสีที่ที่ผู้ทําบาปจะต้องไปแต่ถ้าเรามาทําบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการละเว้นการกระทําบา บุญนี้ก็จะปกป้องจิตใจของเราไม่ให้ไปตกทุกข์ได้ยากลําบากไม่ต้องไปติดคุกในโลกทิพย์โลกของเรานี้มีตคุกมีตารางฉันใดโลกทิพย์ก็มีคุกตารางเหมือนกันคุกตารางของโลกทิพย์ก็คืออบายนี่เองทำบาป ก, ก็เท่ากับทําผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองก็ไปติดคุกติดตารางทําบาปผิด ผิดกฎแห่งกรรมก็ต้องไปเกิดในอบายไปใช้กรรมแต่ถ้าเราทำบุญด้วยการรักษาศีลเราก็จะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปใช้กรรมในอบายดังนั้นขอให้เรามารักษาศีลกันศีลก็มีหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดประเวณีสีไม่พูดโด ถาไม่เสพสุรายามาถ้ารักษาศีลห้าข้อนี้ได้ก็ปลอดภัยเหมือนกับที่เรารักษากฎหมายเคารพกฎหมายเราไม่ไปทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่มาจับเราไปลงโทษแต่ถ้าเราทำผิดกฎหมายเราก็จะถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับไปลงโทษแต่กฎแห่งกรรมนี้ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยจับมันเป็นกฎอัตโนมัติ ทำแล้วก็ผลก็จะตามมาอย่างแน่นอนผลไม่ได้เกิดที่ร่างกายผลเกิดที่ใจดังนั้นอย่าไปคิดว่าถ้าเราตายไปแล้วบาปตามไม่ทันบาปมันไม่ได้ตามมาที่ร่างกายบาปมันตามไปที่ใจใจนี่แหละที่จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรยไปเป็นนสุลกายไปตกนรกดังนั้นถ้าเราอยากจะปลอดภัย จากคุกตารางของโลกทิพย์ก็ขอให้เรารักษาสิงห้างกันให้ดีนี่คือบุญข้อที่สองบุญข้อที่สก็คือการพัฒนาจิตใจด้วยการภาวนาการภาวนานี่เรียกว่าเป็นการพัฒนาใจของเราใจของเราเปรียบเทียบก็เหมือนที่ดินที่เราปล่อยทิ้งอ้างวังไม่มีอะไรปล่อยให้คนเขามาทิ้งขยะ ปล่อยให้คนเข้ามาบุกรุกปล่อยให้หญ้าเยอะอขึ้นมาไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ได้ภาวนาถ้าเราภาวนาก็เหมือนกับเรามาพัฒนาที่ดินเรามาสร้างคอนโดสร้างศูนย์การค้าสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็สามารถมีไรายได้จากสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาใจของเราก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราไม่ภาวนาก็เหมือนกับว่าเราปล่อยให้ใจของเรานี่ไม่มีไม่ได้ทําอะไรให้ให้มีอะไรเป็นประโยชน์ขึ้นมาปล่อยให้กลายเป็นที่ทิ้งขยะของชาวบ้านปล่อยให้เป็นที่ของคนที่ไม่มีบ้านมีช่องมาบุกรุกมาทําลายที่ดินของเราใจของเราถ้าไม่มีการภาวนาก็จะถูกพวกความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆมาสร้างปัญหาให้กับเราสร้างความทุกข์ให้กับเรา <c oughs> ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ถ้าเราต้องการความสุขเราต้องมาภาวนากันารภาวนานี้มีแบ่งเป็นสองภาคภาคแรกเรียกว่าสามถภาวนาคือทำใจให้สงบภาคที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาแปลว่าทำให้ใจฉลาด เราต้องมีทั้งความสงบและความฉลาดเราถึงจะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของเราถ้าเรากำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยสมถะภ า, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนา เราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานพระนิพพานนี้เป็นสวรรค์ที่สูงเป็นสวรรค์ที่ไม่เสือ่อมไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่สวรรค์ชั้นอื่นเช่นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมนี้ยังเสือ่อมไปถึงแล้วเดี๋ยวพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเรา ได้ภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเราก็จะทำให้กิเลสตัณหาต่างๆหายไปหมดใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ก็เหมือนกับการพัฒนาที่ดินตอนต้นเราก็เอารถไถเอารถเกรมาปรับพื้นปรับดินแล้วก็มาลงเสาเข็มเสร็จแล้วเราก็มาสร้างอาคารต่างๆขึ้นมาอพอสร้างเสร็จเราก็ มีรายได้ขายอาคารเช่าอาคารกินเงินจากการขายจากการเช่ากินไปจนงานตายก็ไม่มีวันหมดนี่ก็คือนิพพานของใจเหมือนกับการสร้างของต่างๆที่มีคุณค่าราคาไว้บนที่ดินของเราถ้าเราภาวนาสาเร็จเรากําจัดความโลภความอยากต่างๆได้สาเร็จ เราก็จะได้พระนิพพานพระนิพพานนี้ก็เป็นสวรรค์ที่สูงสุดที่มีความสุขมากที่สุดและมีความสุขที่ไม่เสือ่อมไม่มีวันหมดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอ า, าราหลานตัสสาวกทั้งหลายท่านได้พัฒนาใจของท่านด้วยการภาวนาใจของท่านจึงหลุดพ้นจากภัยทั้งหลายมีที่พึ่งอย่างถาวรไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตาย ที่เป็นภัยอันตรายแก่จิตใจเพราะทุกครั้งที่เกิดก็จะต้องมาแก่มาเจ็บและมาตายมาพัดพราาจากกันนี่เป็นสิ่งที่เป็นภัยอันตรายแก่จิตใจเกิดจากความโลภความอยากของเราการจะที่จะทําลายภัยเหล่านี้เกิดจากการภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะก็คือนั่งสมาธิทําใจให้สงบ วิปัสนาภาวนาก็คือฟังเทศฟังธรรมให้รู้ว่าอะไรคือต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดอะไรเป็นต้นเหตุของการดับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราภาวนาได้สำเร็จเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่เจ็บตายต่อไปปลอดภัยจากทุกภัยต่างๆนี่คือบุญสามประการที่เป็นบุญที่ สำคัญถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารหลักเราต้องมีทานมีศีลมีภาวนาเราถึงจะสามารถมีที่พึ่งได้และนอกจากบุญสามประเภทนี้แล้วยังต้องมีบุญอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้เรื่องบุญ เราจะไม่รู้เรื่องจิตใจของพวกเราเราจะไม่รู้ว่าทำอย่างไรทำให้พวกเราปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต้องมีการฟังธรรมนี่คือบุญสี่ชนิดที่เปรียบเหมือนกับอาหารสี่ประเภทที่จำเป็นที่เราจะต้องรับประทานกันทุกวันส่วนบุญอย่างอื่นนี่ เรียกว่าเป็นบุญเสริมทำบ้างก็ได้ไม่ทำบ้างก็ได้บุญข้อที่หก็คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญเวลาเราทำบุญแล้วเรามีบุญเราก็ส่งบุญนี้แบ่งให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้เช่นเราห่วงบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ตายจากเราไปแล้วกลัวว่าเขาจะเดือดร้อน เพราะเขาอาจจะขาดบุญขึ้นมาบุญก็เหมือนเงินทองอยู่ในโลกทิพนี้บุญนี้เป็นเงินทองที่เราใช้กันในโลกทิพนเวลาร่างกายตายไปใจก็จะไปอยู่ในโลกทิพถ้าไม่มีบุญไปก็จะไปอยู่แบบขอทานขอทานก็คือพวกเปรตนี่เองที่มาคอยขออาหารขอส่วนบุญต่างๆจากผู้ที่ทาบุญกัน แต่ถ้าเราทำแล้วเราเป็นห่วงเป็นใยเราเผื่อคิดว่าเผื่อคนที่ล่วงลับไปแล้วเป็นเปรตเราก็แบ่งบุญนี้ไปการแบ่งบุญให้แก่ผู้อื่นก็เหมือนกับเป็นการทำบุญอีกชั้นหนึ่งเหมือนกับที่ญาติโยมมาทำบุญมาทำบุญกับพระญาติโยมก็อาอาหารข้าวหวานเรียกว่าทานแล้วเวลามีบุญแล้ว ก็เอาบุญนี้ไปทำบุญอีกต่อหนึ่งเอาไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วก็จะได้รับบุญอีกส่วนหนึ่งขึ้นมานี่คือบุญเสริมเราทำเวลาที่เราทำบุญกันไม่ต้องทำทุกวันนะแต่บุญที่ควรจะทำทุกวันก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมควรจะทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่มือกับการรับประทานอาหาร ที่เราต้องรับประทานอาหารทุกวันส่วนบุญที่อุทิศนี่ก็เหมือนกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าบางทีเราไม่ต้องซื้อทุกวันก็ได้เสื้อผ้าเรามีพอเพียงเราก็ไม่ต้องซื้อใหม่ถ้าเราขาดซื้อเสื้อผ้าเราค่อยไปซื้อใหม่บุญเสริมก็เรียกว่าเหมือนเสื้อผ้าหรืออยู่ยาที่เราซื้อมาใช้เฉพาะเวลาที่เราจำเป็นการทำบุญเสริมก็เหมือนกัน ถ้าเรามีโอกาสทำเราก็ทำไปไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรถ้าวันไหนไม่ได้ทำบุญเราก็อุทิศบุญไม่ได้ก็ไม่ไม่เสียหายอะไรผู้ที่จะเสียหายก็คือผู้ที่รอรับบุญถ้าเขารอรับบุญอยู่วันไหนเราไม่ได้ทำบุญเขาก็จะไม่ได้บุญที่เราทำแล้วบุญข้อที่ห้าที่เราควรจะทำก็คือ บุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญเวลามีคนอื่นเขาทำบุญเราควรจะแสดงความยินดีเลกับการทำบุญกับของเขาอย่าไปอย่าไปขัดขวางการทำบุญของผู้เพราะบุญนี้เป็นของมีค่าใครทำแล้วจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขความเจริญคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญ ก็จะได้ความสุขไปกับการทำบุญของผู้ื่นแต่ถ้าไปขัดขวางกับจะไม่ได้บุญกับจะได้ความรู้สึกที่ไม่ดีเช่นบางทีคนที่เขาทำบุญนี้เป็นคู่ครองของเราเวลาทำบุญเขาก็เอาเงินของเราไปทำด้วยเราก็เสียดายเงินเราก็ไม่อยากให้เขาทำเราก็ไม่อนุโมทนาแทนที่เราจะได้บุญไปกับ ก, บการทำบุญของเขา เรากลับมาได้ความทุกข์เพราะเราไม่ยินดีที่อนุโมทนาบุญดังนั้นเวลาใครทำบุญควรจะร่วมอนุโมทนาเพียงแต่สแสดงความยินดีเท่านั้นไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรแต่ถ้าพักกระเป๋าด้วยก็ยิ่งจะได้บุญสองต่อได้บุญจากการร่วมอนุโมทนาแล้วก็ได้บุญจากการทำบุญต่อได้สองกระทนนี่คือบุญที่เราควรจะทา เวลาที่มีผู้อื่นเขาทำบุญแล้วเขามาบอกมาเล่าให้เราฟังเช่น ญ, ญาติพี่น้องไปทำบุญกลับมาก็บอกว่าได้ไปทำบุญเราก็บอกเออดีขออนุมโมทนาเราก็ดีใจไปกับเขาสุขไปกับเขาด้วยนี่ข้อที่หกข้อที่เจ็ก็คือให้เรารับใช้ผู้อื่นเสียสละเวลาของเราไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เวลามีงานมีการบางทีต้องอาศัยคนหลายๆคนมาช่วยกันมาร่วมกันอย่างที่วัดเวลาคนมาเยอะๆบางทีห้องน้ำก็ศสกระโปรกขยะก็เยอะถ้าเราว่าเราอยากจะทำบุญเราก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปช่วยกันล้างห้องน้ำไปช่วยกันเก็บขยะ บางท่านก็มาช่วยล้างถ้วยล้างชามหลังจากที่เลิกลากันไปแล้วถ้วยชามนี้กองกองเป็นภูเขาบางทีถ้าไม่มีคนช่วยนี้คนงานทางวัดล้างชามกว่าจะเสร็จก็เกือบเที่ยงแต่ถ้ามีญาติโยมที่มีจิตเมตตาอยากจะทำบุญมาช่วยกันล้างบางทีไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงชั่วโมงก็ล้างกันเสร็จ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำบุญอีกชนิดหนึ่งคือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นใครเดือดร้อนพอที่เราจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปอย่างพวกมูลนิธิต่างๆมูญนิธิร่วมกัตันยูมูญนิธิโปรเติง้งเนี่ยเขาก็ทำบุญแบบนี้ทำบุญด้วยการช่วยเหลือสังคมไปเก็บศพส่งคนเจ็บไข้ได้ป่วย ที่ประสบอุบัติเหตุไปโรงพยาบาลอันนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นบุญข้อที่8ก็คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่สำหังคนไทยเรานี้เรามีแยกกันมีคนที่สูงกว่าเรามีคนที่เท่าเราและมีคนที่ต่ำกว่าเรา คนที่สูงกว่าเราเราไม่ควรที่จะไปยกตัวของเราให้ไปเสมอกับเขาเช่นบิดามารดาปุยาตายายครูบาอาจารย์บุคคลที่มีพระคุณต่อเราเป็นบุคคลที่เราต้องอ่อนน้อมต้องต้องเคารพนับถือไม่ใช่ไปถือว่าเป็นเท่ากันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันไม่ได้ถ้าทำตัวเป็น เพื่อนกันก็จะถือว่าไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำแล้วจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยคนเราต้องมีส ม, มาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักที่สูงที่ต่ำแล้วจะทำให้เรามีความสุขเพราะอยู่กับใครก็จะไม่มีใครรังเกียจอยู่กับใครก็จะมีแต่คนรักคนชอบ นี่คือบุญข้อที่แบุญข้อที่9กก็คือการทำความเห็นให้ถูกต้องอชีวิตของเรานี้มีความเห็นเป็นผู้นำเราเห็นอย่างไรเราก็ทำตามที่เราเห็นเช่นเราเห็นว่าไปโรงเรียนดีเราก็ไปเรียนกันเราเห็นว่าการไปลักขโมยไม่ดีเราก็ไม่ทำกันนี่คือความเห็นเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องว่า การทาบาปไม่ดีการทาบุญดีการการออกบวชเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ดีการไปหาลาบชดสรเสิริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ดีเพราะจะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเรายังหาลาบชดสรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังอยากจะหาลาบยศสรรเสริญอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แต่ถ้าเราเลิกหาลาบยศสรรเสริญเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดสาเหตุที่เรากลับมาเกิดกันก็เพราะความอยาก ได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายนี่เองนี่คือความเห็นที่ถูกต้องเราต้องสร้างความเห็นที่ถูกต้องวิธีสร้างก็มีสองวิธีถ้าเราไม่รู้เราก็ไปศึกษาจากผู้อื่นบางทีพ่อแม่เขาสอนเราเกิดมาพ่อแม่ก็มักจะสอนเราอย่าทำบาปให้ทำบุญใส่บาตรพ่อแม่ก็จะทำเป็นตัวอย่าง จะตักบาตแล้วก็ให้เด็กให้ลูกๆมาหักตักบาทกันพอทำไปแล้วก็จะติดเป็นนิสัยทำแล้วก็มีความสุขเวลาทำบาปก็จะรู้ว่ามีความทุกข์ก็จะไม่กระทำแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียน่หวตายเกิดก็ไปบวชกันนี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะความเห็นนี้เป็นตัวนาชีวิตเรา ถ้าเราเห็นว่าอบายามุกดีเราก็จะไปเสพอบายามุกกันเราก็จะไปเดิมสุราไปเล่นการประนันไปเที่ยวกลางคืนไปคบคนไม่ดีเป็นมิตรไปมีความเกียดครา้านนี่คือความเห็นที่ไม่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นว่าอบายามุกไม่ดีการทำบาปไม่ดีการทำบุญดีการรักษาศีลดีการไปวัดดี การจะรู้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้จากผู้อื่นหรือถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็สามารถพิจารณาดูเหตุดูผลได้ว่าทาแบบนี้แล้วดีไม่ดีทาแบบนั้นแล้วดีไม่ดีถ้าทำแล้วไม่ดีก็อย่าไปทำอัไหนทําดีก็ทําไปอันนี้ก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาเรียกว่าปัญญาและประการสุดท้ายถ้าเรามีธรรมะ เราก็สามารถแบ่งธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้เช่นถ้าเรายังไม่มีธรรมะแต่เรามีหนังสือธรรมะดีๆเราก็เอาไปแจกให้คนอื่นได้หนังสือธรรมะที่เรารับไปจากที่วัดหลังจากที่เราอ่านจบแล้วเราเห็นว่ามีคุณประโยชน์เราอยากจะให้คนอื่นก็ให้เขาไปดีกว่าเก็บไว้เฉยๆเพราะเราอ่านแล้วเรารู้แล้วว่าเป็นอะไร ให้คนที่เขายังไม่ได้อ่านเขาก็จะได้รับประโยชน์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญการทำบุญด้วยการให้ธรรมะนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการให้ที่ดีที่สุดชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมะดีกว่าให้เงินให้ทองเพราะอะไรเพราะเงินทอง น, นี้ก็เพียงแต่เอาไปใช้ดับความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นไม่สามารถเอาไปดับความทุกข์ทางใจได้ แต่ธรรมะนี่สามารถเอาไปดับความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางใจนี้รุนแรงมากกว่าความทุกข์ทางร่างกายถ้าไม่มีความทุกข์ทางใจแล้วถึงแม้จะมีความทุกข์ทางร่างกายก็ไม่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านไม่มีความทุกข์ทางใจร่างกายท่านจะแก่จะเจ็บจะตายท่านไม่เดือดร้อนเลยท่านอยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้ พอใจท่านมีธรรมะธรรมะที่ปกป้องคุ้มครองรักษาไม่ให้ใจทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่นี่คือที่พึ่งทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราชาวพุทธมาสร้างมาทำกันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่จ้องทำอยู่เรื่อยๆทาอยู่เป็นประจาคือการทำทานการรักษาศีล การภาวนาการฟังเทศฟังธรรมและส่วนที่ทำไปตามโอกาสมีโอกาสก็ทำไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องทำก็คือการอนุโมทนาบุญการอุทิศบุญการช่วยเหลือผู้อื่นการมีความอ่อนน้ําถ่อมตนสัมมาคารวะการมีความเห็นที่ถูกต้องและการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี่คือบุญที่เรียกว่าบุญเสริมกับบุญหลัก ถ้าพวกเราได้ทำบุญเหล่านี้แล้วใจของเราก็จะเป็นเหมือนร่างกายที่มีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ร่างกายของเราอยู่กันอย่างสุขสบายใจของเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายเช่นเดียวกันถ้าเราเหมือนทำบุญกันอยู่เรื่อยๆนี่คือที่พึ่งทางใจของพวกเราปัจจัยสี่ทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างมาทำกัน ในเวลาวันที่ว่างจากการไปสร้างที่พึ่งทางร่างกายวันที่เราไม่ต้องทำงานทำการเราก็มาสร้างที่พึ่งทางใจกันเพื่อชีวิตของเราจะได้มีความสุขทั้งสองสว่วนสุขทั้งร่างกายและสุขทั้งจิตใจและถ้าเราทำได้สำเร็จเราก็ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป การสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภะละโดยทั่วหน้ากันเธอ